ระหว่างที่ทุลปคสสำหรับวันนี้วันดีวันเข้าพรรษาเราก็ต้องบอกท่านว่ารายการของเรายัางดาเนินรายการเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมาแปลว่าทุกวันของเราดีหมดเดี๋ยวไปกราบนวัส ก, การถามพระอาจารย์ไพบุรและพี่ปุณโณ น, นะคะว่ากำลังเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยให้น้ำหนักวันทุกวันเท่ากันไม่ได้หรอกมันมีดีกว่าเลวกว่า นะคะก็ไปกราบนมรสการท่านกราบนมรสการกันทั้นคะเชิญบอลถูกต้องคุณยมติ๋วที่ว่าว่าบางวันดีบางวันไม่ดีน้ําหนักมันจะไม่เท่ากันค่ ะ, ะทีนี้เครื่องมัดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เกณฑ์ไว้พูดถึงกายวาจาใจที่เป็นสุจ ร, ริตของเราแต่ถ้าวันไหนเรามีกายวาจาใจที่เป็นสุจ ร, ริตมีกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนั้นเป็นวันนั้นเป็นวันดีมากเลย แต่ <C> e วันไหนที่แบบโอ้ยมีแต่ด่าว่าแล้วก็คิดบ้าบอบทําผิดซีนกีกตั้งหาโอ้โหวันนั้นเป็นวันที่แย่มากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกวันที่ฟังรายการเนี่ยคุณฟังรายการแล้วคุณจิตเป็นยังไงฟังรายการแล้วคุณปากเป็นยังไงแกายเป็นยังไงเราก็วัดของเราได้นะ <c> <ค>ทีนี้ในในทางรายการเราก็จะกล่าวแต่ธรรมะของพระเจ้านั่นเอง <c> แต่วันถ้าวันไหนมีการกล่าวธรรมมีการฟังธรรม ตามการวันนั้นเป็นมงคลละอย่างวั น, นจันทร์ถึงศุกร์นี่เป็นมงคลแน่แล้วเร า, เร า, เราฟังธรรมะอยู่ตามการเท่ากับว่าท่านเราบอกว่าแต่ละวันนมันไม่เหมือนกันมีนดีมากดีน้อยใช่แย่มากแย่น้อยกเกณฑ์การวัดก็มีอยู่ค่ะมีเกณฑ์วัดทีนี้พูดอีกในหนึ่งนะคะคือเหมือนกับดี่ทนเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมว่าท่านเคยพูดว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะมี ความเสมอๆกันอยู่ด้วยการมีจิตที่เป็นประภัดสอนเช่นเดียวกันอ๋อเสมอๆในที่นี้ถูกต้องจิตเราประพัดสอนเหมือนกันหมดค่ะทีนี้ลำพังในเรื่องของวันเวลาเนี่ยค่ะอืมจะว่าไปจริงๆวันถ้ามันถอดอะไรที่อยู่ในวันเวลาไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เสมอๆกันก็คือเป็นกําหนดหมายของหมายมันให้คําจํากัดความถ้าตามเพราะนี่เราจะให้ความจะไปดีันไคะในเรื่องของเวลาเนี่ย ผู้เช่ า, ชาก็พูดถึงอดีตนอนาคตปัจจุบันนะแต่ถ้าพูดถึงว่าความที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็ผู้เช่าก็จะใช้เรื่องของคุณธรรมเป็นหลักนะคืออย่างเวลาอธิบายธรรมะอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้พูดถึงเวลาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าสมมติเราพูดถึงเรื่องของความเมตตาอย่างเงี้ยเมตตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันดีหมดอ่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วผู้เช่าก็จะอธิบายเลยลักษณะของคุณธรรมชื่อของคุณธรรมชื่อของอธรรมะหมวดนี้หมวดนี้อย่างเงี้ยแค่นั้นเอง เป็นการที่จะแยกเรื่องเวลานี้ออกไปค่ะเพราะฉะนั้นมันจะจัดได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันมันก็เหมือนเหมือนกันโดยพื้นฐานของอว่าเฉพาะเรื่องเวลาแต่ไม่ใช่ปรากฏการเหตุการณ์ต่างๆการกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละห่วงนั้นใช่เวลาเนี่ยคือการหมุนไปตำแหน่งหมุนไปนะคือถ้าเราพูดถึงสังสารวัตรเนี่ยคือการหมุนไปรอบหนึ่ง เราก็สมมุติว่าอันนี้เป็นหนึ่งนะ น, นับไปอีกหนึ่งก็อันนี้เป็นหนึ่งนะนับไปอีกหนึ่งก็คือหมุนรอบไปรอบไปรอบไปตัวนั่นเองในสามปีเนี่ยก็คือพระอาทิตย์หมุนรอบออดวงโลกโลกหมุนรอบพระอาทิตย์สามรอบเนาะจึงสามารถจะสรุปได้อย่างนี้ไหมคะว่าวันแต่ละวันชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนาทีแต่ละนาทีของทุกคนก็เหมือนกันโดยพื้นฐาน จะแตกต่างกันก็อยู่ที่เราทำอะไรในห่วงเวลานั้น μ, ถูกพอฟังได้ไหมคะังเขาท่าฟังเขาท่าอ <laughs> ดังนั้นจะทำให้วันเวลาของเรามีคุณค่ามากกวา่าจะทำได้อย่างไรคะ น, นี่ไงที่ว่าวันแต่ละวันไม่เท่ากันเนี่ยเพราะอาศัยปัจจัยที่ว่าการวาจาใจของเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แถ้าวันนั้น เวลานั้นวินาทีนี้ที่เรามีรอบนี้ที่เรามีเนี่ยเรารักษากายวาจาใจของเราให้เป็นกุศลและทำได้เป็นสุจริตได้อวันนั้นมีค่ามากจริงวินาทีนั้นมีค่ามากจริงนะแค่ขอวินาทีเดียววันนั้นวันเดียวแค่วินาทีนั้นวินเดียวนะยังดีกว่าช่วงเวลาอื่นๆที่ผ่านมาทั้งชีวิตที่ไม่ได้มีกายวาจาใจสุจริตเลยเที่เป็นไม่ได้<ถ>เลยตรงนี้ยงนั้นถ้าถ้าอยากจะได้กาําไรใคร ก็ต้องมีกายวาจาใจ ใ, ในแต่ละวันให้ดีใช่ไหมคะตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงพระสูตรที่เรียกว่าราตรีหนึ่งเจริญนั่นคือโดยการเปรียบเทียบถึงคนที่มีวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยมีความเพียรมีกายวาจาใจเป็นสุจริตเนี่ยยังดีกว่าคนที่มีอายุมาตั้งร0อยปีแล้วก็ไม่ได้ทาประโยชน์อะไรในเรื่องของกายวาจาใจที่เป็นสุจริตเลยอมาก็จะจะมีตัวอย่างที่จะพูดถึงตรงนี้ อย่สมมุติว่าคนบุรุษผู้หนึ่งนะโอ้โหตั้งแต่เกิดมานี่ก็สมเร็จเทมาลน ะ, ะมีความประมาทอะไรต่างๆก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมเท่าไหร่เบินโชคดีหน่อยมีมีทรัพย์สมบัติมากปรากฏว่าอายุสี่กว่าแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอย่างเงเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายน ะ, ะพอได้รับข่าวนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยได้สติตั้งตัวได้โอ้โหตายละฉันพลาดไปละหลงไปละทาไม่ถูกละ ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่นี้ขอทําความดีอย่างเต็มที่แตนะจริงๆเขาอาจจะทําไปทําไปเนี่ยเขาอยู่ได้แค่7จ็ดวันเท่านั้นเองเพราะด้วยความที่ตกใจด้วยอะไรด้วยนะในะช่วง7วันสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยมีค่ามากกว่าไอ้สีปีที่ผ่านมาเลยทั้งหมดรวมกันด้วยซ้าค่ะแตนะ่เพราะความที่เขาไม่ประมาทเพราะความที่เขามีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตในช่วง7วันนั้นเท่านั้นเอง เขาจะไปดีได้นะนี่นี่ยก <c oughs> ตัวอย่างก็แปลว่าเวลาของทุกคนไม่มีสายสิคะถ้าฟังอย่างนี้ไม่มีเลยมันเอาปัจจุบันเอาทีละรอบแต่ น, นันเองวันเวลาไม่ได้มีอะไรแค่หมุนไปทีละรอบแต่ น, นันเองนะค <c oughs> ่ะเพอท่านพูดถึงเรื่องรอบเนี่ยนะคะที่ฉันอยากกลับเรียนถามท่านนิดนึ่งว่าในยุคพุทธกาลนะคะมีการกําหนดว่าสิบสองปีเป็นหนึ่งรอบอายุที่สําคัญของคนเราเหมือนในยุคปัจจุบันใช่ไหมคะอืมีอยู่มีมีในออไม่ใช่คําสอนองบุชาเป็นของพวกพราม์เขา นะก็มีชื่อมีตำแหน่งมีการให้ยศสําหรับผู้ที่บวชมาแล้ว12ปีทุกๆ12ปีจะมีการแต่งตั้งยศอะไรประมาณเนี้ยน ะ, ะ ใ, นในตอนนั้นท่านพระอนุลก็เลยไปถามบุรุษเ้าวไอ้ของเราพอที่จะประกาศตรงนี้ได้ไหมพอบุรุษเจ้าก็เลยเอาตรงเนี้มาเทียบเคียงกับเรื่องของอริยบุคคลสี่ขัน้นะพอเทียบเคียงเรื่องนี้ปุ๊บท่านบระ น, นก็จบเลยไม่ต้องถามต่อแล้วเพราะอันนี้มันสุดละ ถึงเรียกบุคคลสี่ขันมันมันเหนือกว่าไอ้สิบสองปีทุกสิบสองปีรอบนี้แน่นอนค่ะก็เลยต้องมองกันอย่างเข้าใจนะคะยังเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่อยู่ที่เราจริงๆหลายหลายคนเขาบอกอย่างนี้คุณโยมติว่าแหมฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาเวลาฉันน้อยเหลือเกินทํากิจการงานต่างๆมากนะอ่นะอก็ต้องบอกว่าเราก็ทําไปตามเหตุนั่นแหละแต่ถ้าณนะวินาทีนั้นเนี่ยเราเรารักษาจิตของเราได้ ชื่อว่าเวลานั้นไม่ได้สูญเปล่าไปไหนแน่นอนถึงแม้ว่างานมันจะมากอยู่แต่ถ้าเรารักษาจิตของเราได้มีสติอยู่เวลานั้นไม่ได้สูญเปล่าเวลานั้นเกิดประโยชน์เวลานั้นจิตของเรามีกําลังเวลานั้นเรารักษาจิตได้ถูกต้องแล้วถ้าถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะสบายใจอยู่ได้นะมาว่าไมค่ะเป็ น, นี้อาจจะมีโจทย์ยากอีกหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองที่ว่าบางทีเนี่ย าการที่มันต้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานการที่จะทำให้บางทีมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้มันทำยากทีเนี้ยค่ะอย่างกับขณะที่ดิฉันดาเนินรายการอยู่กับท่านเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้รับข้อความเรื่องการทำงานที่ชวนให้เครียดนี่ไงคือเราต้องสมรวมอินนรีพระเจ้าเคยเปรียบกับเต่า ที่ต้องอยู่ในกระดองเต่าไปไหนเนี่ยเขาเอากระดองเข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นจุดที่จะทําความปลอดภัยให้เขาได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในหน้าที่การงานเราไปไหนแล้วแต่เนี่ยเราต้องเอาลมหายใจของเราไปด้วยนคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการหนึ่งคือสตินั่นเองสตินี่คือการที่เราผูกจิตของเราไว้กับลมหายใจลมหายใจคือเสาเกินเสาเห ล, ลักอาการที่เราผูกจิตไว้นั่นคือการที่เรามีสติ แล้วนั่นสติเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกระตองเต่าที่คอยคุ้มครองรักษาจิตของเราถ้าเราเรารักษาได้ตรงนี้ก็จะก็จะดีนะดังนั้นก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องมีสติใช่ไหมครับค่ใช่คือคือคารวะก็ต้องอทําการงานนั่นนี้โ น, น่นใช่ไหมในขณะที่เราทํางานนั่นนี้โ น, น้นเราพยายามที่จะรักษาสติเอาไว้โอเคดีอยู่ดีมากเลยนะแล้วก็ ที่แน่ๆพื้นฐานเลยเรื่องของศีลสาคัญมากบางทีสติมันแตกจีจัดขึ้นมามีความกังวลใจอันนี้เป็นเรื่องของใจนะถ้าเรายังไม่ได้ฝึกก็ก็ค่อยๆฝึกเอาได้ในขณะเดียวกันเรื่องศีลเราอย่าให้ผิดนะอยาให้ไหลไปตามทางที่ไม่ดีไปโกงอย่าไปทําสิ่งที่ผิดศีลก็อันนี้ก็จะรักษาเราได้อยู่แล้วนะระดับเรื่องของศีลตรงนี้ก็ได้หลักอย่างนี้แล้วเราก็ไปปรับประยุกใช้เพราะอย่างไรเสียเรื่องของวันเวลานี่ มันเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลาเลยใช่นะคะเดี๋ยวก็คือเป็นมนุษย์ไปสมมุติกันแต่มันก็เป็นสมมุติที่มันจําเป็นต้องสมมุติในการอย<ม>ู่ร่วมกันนะคะไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเป็นที่หมาย ใ, <ช>ในการที่จะทํากิจการงานพระพุทธเจ้าก็ก็ใช้จะ ใ, ใช้สมมุติเรื่องนี้เหมือนกันคือถึงแม้เวลาเรานอนเนี่ยเวลามันก็ไม่ได้หยุดเดินเราหย<ช>ุดทํางานเวลาก็ไม่ได้หยุดเดิน<ช> <ๆ S 2> แต่เพราะนั้นพระพุเจ้าจึงบอกงี้บอกว่า เ, เวลาล่วงไปล่วงไปนะบัดนี้เธอทําอะไรอยู่ เวลาเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆนะผ่านไปเรื่อยๆนะบัตนี้เธอทําอะไรอยู่นี่ถามตัวเองย่างนี้นะทุกๆหลายๆายปีหรือทุกๆปีเรามาลองพิจรารณาดูเอ๊ะบัดนี้เวลาล่วงไปเราทําอะไรอยู่บางคนบอกฟังรายการอยู่อ่าดีแล้ว <c oughs> อย่างที่เคยกลับเรียนกับท่านว่าเคยเห็นคนประเภทที่ชีวิตไม่ผูกพันไม่ถูกบังคับตัวเวลาเช่นพวกเงาะป่าบนเขาสูงทางภาคใต้เนี่ย น, นะคะอ๋ออืม แววตาเขาจะไม่เหมือนคนธรรมดาเลยนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงไรบริสุทธิ์มากค่ะคือก็อ<ข>มีคนเล่า <นะ S 2> ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าไปเห็นแววตาแบบนี้แล้วไม่อยากเชื่อว่ามีมนุษย์ที่มองโลกมองผู้คนที่พบเจอด้วยสายตาแบบนี้อเ<ม>อีอดิฉันได้ยินข้อมูลมาทํานองที่ว่าคนผู้นี้ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาเกิดเมื่อไหร่หน้าปีไม่ถูกนะคะอ<ม>ืชีวิตแบบใช้ไป ให้ผ่านผ่านไปอะเข้าใจว่าอย่างนั้นมไม่รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่นับไม่ถูกก็ก็เป็นอะไรที่แปลกดีดังนั้นเนี่ยในการที่เรามีสมมติเป็นกาหนดเวลาแล้วทาให้เรารู้ว่าชีวิตของเรามันก็ผ่านพ้นไ ป, ผ, นนไปผ่านพ้นไปโดนเร่งรัดกันไปตลอดส่วนหนึ่งอาจจะทำให้เราเกิดความทุกข์แต่ถ้ามองให้เป็นให้มีความสุขมองยงไงดีคะเออก็คือเวลามันล่วงไป นะเรามองมองให้เป็นนะขอโทษนะคือมองให้เป็นเนี่ยคือเรามองให้เป็นว่าเรากใกล้ความตายเข้าไปอีกวันหนึ่งอันนี้มองให้เป็นเลยค่ะ <laughs> คือหมายความว่าพอเรามองว่าเฮ้ยเราใกล้ความตายเข้าไปวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยมีาสุขมากเลย <laughs> <laughs> เราเราจะเห็นธรรมเยคุณยมติ๋วนึกออกไหมเราจะเห็นธรรมเราจะไม่ประมาทเราจะมีความตื่นตัวเราจะมีสติเราจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้จิตเรามีกุศลธรรม <บ>ครั้งไม่ใช่เครียดนะอันนี้ไม่ใช่เครียดนะค่ะดิฉันเองก็มีโอกาสได้พูดอะไรแบบนี้หลายๆครั้งแต่พูดไปแล้วบางครั้งมันนึกนะก็คิดว่าคนที่เขคุยกับเราเนี่ยเขาอาจจะกำลังนึกว่าเวอร์ไปมันเป็นไปไม่ได้ อ, อย่าดีแต่พูดคือบางทีเราก็จะพูดเขานีขอให้คิดว่าเวลาของชีวิตแต่ละคนมันสิ้นสุดแน่นอนอนะคะแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้มากขึ้น แต่พูดไปหลายๆครั้งก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยเราไม่พูดดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบอืมก็พูดในลักษณะที่ว่าให้หาความสุขใ น, ในชีวิตกแล้วกันเนี่ยน้อยหาความสุขในภายในในความสุขในภายนอกที่ว่าเป็นสิ่งที่ยั่วยวนอันนี้อย่าไปหาหาความสุขในภายในเวลาเราจะไม่เสียเปล่าเราก็สุขด้วยเวลาเราก็ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่นว่าทางสายกลางนะสำหรับคนที่ อ, อาจจะยัง ยังมีความรู้สึกว่าในโลกก็ยังมีอะไรที่ท้าทายที่น่าสนใจบางทียิ่งมาทํางานการเมืองนะคะท่านพิบูลจะได้พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการยึดในความคิดของตัวเองของแต่ละคนเนี่ยเป็นเหนื่อมากเป็นทุกมา ก, มากเป็ น, นทุกมากการที่เราพยายามจะทําความเข้าใจใช่แล้วมันเหมือนกับอ่าดิฉันไม่อยากใช้คําว่ามีทงอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองที่ ที่เป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือเรื่องพรบร อ, บองดองอะไรนี้เลยนะคะเป็นเรื่องเล็กๆออันนี้ได้ก็ได้มีโอกาสเจราจากันเรื่องความเชื่อในเรื่องนโยบายวันนโยบายทางการเมืองกับคนที่เขามีความเชื่ออีกแบบหนึ่งเนี่ยอืมพยายามสร้างความเข้าใจกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าอืพอมีความยึดว่าความเชื่อถูกเนี่ยและผิดจากที่ที่เราเชื่อมันผิดมันเหนื่อยกันทั้งคู่ <laughs> ไม่รู้จะพูยยังไงดีมันเหนื่ อ, อยทั้งคู่ค่ะอืมผู้เจ้าทำยังไงก่อนนะเพื่อที่จะเป็นการสรุปตรงนี้ผู้เจ้าก็มีอยู่สองวิธีที่พระองค์ทำนะคืออันแรกก็คือนิ่งไปเลยไม่คุยกับพวกนี้ะนะหรือ 2. นะชี้แจงให้เห็นชักชวนให้เข้ามาปฏิบัติให้ราดเริงในธรรมให้ตั้งอยู่ในธรรมค่ะนะคือคือก็คือทําให้ความคิดเห็นนั้นอนะราบคาบไปโดยธรรม โดยที่ไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราไม่ต้องใช้การขู่บังคับไม่ต้องใช้กลวิธีแรงต่างใช้ธรรมะนี่แหละทาให้เขาเห็นจริงได้นะคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นแต่มาปฏิบัติในเรื่องธรรมแทนแล้วเรื่องต่างๆที่เข้าใจกันยากอาจจะเข้าใจได้ดีขึ้นใช่ถ้าเขาปล่อยวางตรงนั้นได้อะไรก็มันก็รุ่นร่าลื่นไปหมดแล้วค่ะก็คิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้ก็ดีนะคะดีฉันเข้าใจว่า เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่ยากๆคงจะคลี่คลายไปได้มากทีเดียวค่ะก็กราบมหการขอบพระคุณท่านจามเพย์บูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพรุง่งนี้มรืนนี้ท่านก็ยังจัดทางวิทยุประเทศไทยเวลานี้เหมือนเดิมใชถ่ถูกต้องถูกต้องค่ะกราบมหการขอบพระคุณค่ะเชิญผานทุกฝัง่งที่โทรค่ะรายการของเราอยู่เสาร์อาทิตย์ค่ะก็ไปติดตามรับฟังพระจามเพย์บูลกับพี่ปุณูกันในสัปดาห์หน้านะคะส่วนพระมาร์ชาคาวโรจะหยุดพักเสาร์อาทิตย์แบบเดียวกับดิฉันนะคะ แล้วก็รายการนี้ก็กลับมาพบกันในวันที่วันจันทร์นะคะถือวันศุกร์ตีห้าถึงตีห้าครึ่งใครที่ยังไม่ได้โทราศัพท์มาขอหนังสือชื่อพุทธวจนะที่พระอาจารย์คกฤิสโสติพโลท่านได้รวบร ว, บร ว, บรวมกับคณะน น, นะคะทำขึ้นมาก็ศูนย์สองสองหกเก้าูนย์ศูนย์ูนย์หกสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุ f m 1เ6มร้อยหกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแลวขอให้ สมะเจริญในจิตของท่านนะคะธู้ท ว, วัสดีค่ะ